กัณสาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายสาหรับตอนนี้เป็นตอนที่สี่ตอนที่จะพูดเรื่องอื่นมาขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัติตนหนีนรกหนีเปรตหนีสุรกายหนีสัตว์ประชานเพื่อทําตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยามต่อสู้กับนรก ไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายในสติฉันมีอารมณ์ต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดาอย่างกลางสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรหมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ยอมแพ้นรกเปรตอสุรกายสติฉัน ครงนี้เพราะอะไรพรู้ว่าถ้าไปอวดจกิงแกเกข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือคือว่าแกทำให้ลงนรกฝ่ายเดียวรวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติ่หนีนรกกันการที่จะปฏิบัติหนีนรกมันมีได้หลายแบบหลายในการหนี น, นรกโชคราวนั้นไม่ดี ชาตินี้ไม่ลงนรกถ้าเกิดไปใหม่ชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาเอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสวกายไม่เป็นสติฉันตลอดการตลอดสมัยถ้าบังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมื่อไร่เมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้งสี่แน่ การที่จะพ้นได้แน่ น, นอนเขาต้องปฏิบัติตามกระแสคำสัสอนของค์สมเด็จพระจินนวร์คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าถ้าต้องการไม่ลงนรกให้ตัดสังโยชน์ทั้งสามราการให้พ้นไปจากใจสังโยชน์ทั้งสามการกก็คือหนึ่งสกายดิธิเอาอย่างเบื้องต้นไม่ใช่อย่างกลางแนละอย่างปลาย เอาอย่างง่ายๆพระเป็นบทคาสุขวิปัสสโกคือนึกว่าเขานึกดว่าจะต้องไม่ตายนี่เราไม่เอาส ก, กายาติทิคิดว่าไม่ตายแต่ความจริงมันต้องตายเรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้จะต้องตายมันจะตายเมื่อไรเรายืนยันไม่ได้พร้อมไว้ว่าผืจะตายวันนี้สองวิจิกิฉา สงสัยในความดีของพระพุทธจเจ้าความมาธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เราไม่เอาเราจะฝืนไม่ยอมรับรับถือความดีของพระพุทธเจา้าความดีมวความมาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าพระอริยสงฆ์ข้อดีสามสิริปัตตาปรามาตรเขาถือสิงคโปร์กระโปลเป็นสิงห์หัวเต่าหกมาผูกเข้าผูกออกอันนี้เราไม่เอา เราจะยอมรับนับถือและปฏิษัตบัตรสินได้ครบทุกข้อทุกรายการแค่ว่ายก็มีสินห้าเป็นต้นถ้าแถมกรรมวสิทได้หน่อยจะมีความสุขมากองค์สมเด็จพระพุมีพระพาเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลไม่ปร ะ, าาะ ม, ปมาทระชีวิตคิดว่ามันอาจจะตั้งตั้งตายวันนี้ไว้เสมอตั้งใจทำให้ดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ถ้าปฏิบัติตรงในสีนี้ครบท้วนทุกประการอย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะตายในชาติไหนอ้ตามคัมภีร์บายภูมังสีมีนรกเป็นต้นไม่ไปแน่นอนอย่างนั้นขอสาวยกพระองค์สมเด็จพระชินการทุกท่านที่รับฟังอยู่เวลานี้ขอได้โปรดถ้าต้องการไม่ลงนรกก็ปฏิบัติไม่ยาก ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายคราวนี้หรกอคราวไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบไยกูยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความเป็นใจและปัญญาตั้งใจรักษาสินหายนครบทุนถ้าจะมีความสุขจริงๆรักษากั้นบทสิบครบทุนเราจะมีความสุขมากเป็นคนสวยมาก ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบจะมีทั้งความสุขในชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นการปฏิบัตินี้นะรกก็พูดกันไว้แค่นี้สําหรับวันนี้ก็ยัพูดถึงอารมณคิดฟุง้งเมื่อตอนนี้สามพูดถึงฟุงฟ้งฟุ้งแล้วก็ลงนรกเป็นการฟุ้งของคนดีคนดีฟุง้งลงนรกไป คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีทำดีคิดดีมาตลอดเวลาแต่เป็นการบางเอืออย่างยิ่งมาตอนปลายมาคิดไม่ดีนิดเดียวสิ้นก็ไปขาดจะปราโมทแม้พนะระไตรศ น, นาคมก็ไม่มีและมีความเคารพสามีหมื่ไม่ไดายังลงนรกไปได้วันนี้อใหม่มาแก้ตัวกันใหม่ ว่าตอนที่สามก็เรื่องเขา้าหญิงย่องลงนรกเดี๋ยวเดียวเจ็ดวันหลังจากนั้นเพราไปเกิดบนสวรรค์ยันดาวประเดสัตวโลกให้ความดีมีมากความชั่วนิดหนึ่งก็ลงนรกนิดหนึ่งได้ความดีมีมากก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าใช้เวลามากวันนี้ก็มาคุยกันบรรดายาโยมพุทธบริษัทแล้วตอนที่ตอนที่สี่นี่นะ อันนี้มันตอนที่สี่เมื่อคุยกันทีงว่าคนที่คิดฟุง่งคําว่าคิดฟุ่งในนิดีเขาคิดดีคิดอยากเป็นนางฟ้าคือคิดอยากเป็นเมียของเทวดาอะไรกันแต่ว่าท่านคนนี้ก็ทำดีเมื่อทำดีแล้วก็คิดดีคิดทางเดียวอยากจะเป็นเมียของเทวดา ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นสตรีเคยคิดบางไหมว่าอยากจะเป็นพัญญาของเทวดาคนใดคนหนึ่งทุกคนมองยิ้มยิ้แล้วก็บอกว่าอยากจะไปนิพพานอย่าลืมว่าเวลาที่พูดเนี่ยไม่ใช่บันทึกเสียงอย่างเดียวยนั่งคุยกันคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วก็มองดูเวลา ถ้าครบสามสิบนาทีก็สรุประทีเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงจริงๆมันก็ไม่มีก็ต้องทำกันแบบนี้แหละก็คุยัไปคุยมาแต่จะคุยเร็วเกินไปอย่างคุยธรรมด า, น, านี่คนที่ก็าฟังเสียงทางวิทยุทางเทศจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นยวะจากคนแบบนี้บุคคลคนนี้พระพุทธเจ้าทรงยินยัน ชื่อจริงๆก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักแต่ชื่อตามปฏิบัทาของเธอคือการปฏิบัติของเธอแบบไหนเขาสมมติเธอแบบนั้นเขาให้ชื่อตามบาลีว่าปฏิบูชิกาซึ่งแปลเป็นใจความว่าหญิงบูชาผัวปฏินี่ก็แปลว่าผัวบูจิกาที่แปลว่าการบูชา แปลตามบรีว่าหญิงบูชาผัวเข้าใจว่าชื่อนี้พ่อแม่ไม่เคยตั้งมาตั้งเด็ก เ, เกิดไปแล้วตั้งชิว อ, อินูเองชื่อว่าคเป็นแม่เป็นหญิงบูชาผัวนะอันนี้ไม่มีไม่มีใครเขาตั้งต้องตามตามสัญลักษณ์ของเธอที่แสดงออก เนื้อความในบาลีเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงไพรชนอยู่เวลานั้นก็มีสาวิกาพระองค์สมเด็จพระบรมครูคำว่าสาวิกาเนี่ยคือสาวกผู้หญิงสาวกผู้ชายก็เรียกว่าสาวอ่ะก็สาวโกสาวกถ้าผญิงสาวิกา คำว่าสาวกหรืสาวิกาก็าตามก็แปลว่าผู้รับฟังเหมือนกันอย่าลืมนะบรรดาญาจโยมพระทวีสัททีน่นั่งในนี่โปรดทราบคำว่าสาวกที่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็าตามจะเป็นผู้ชายก็ตามคําว่าสาวกนี่แปววลว่าผู้รับฟังพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าอคาตาโรตถาคตา คาตถาคขาแต่เป็ น, นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วเธอจะทําทตามหรือไม่ทําตามเป็นหน้าที่ของเธอตอนนี้เราทํำยังไงสาวุกรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามผู้หญิงคนนี้มีนามวิฐานะเป็นสาวิกาคือผู้รับฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลังจากเกิดมาแล้วอายุเท่าไหรบาลีบอกไว้เปล่าจําไม่ได้ อย่าโยงหุ้นบริษัทที่นั่งฟังก็โยงอย่าคิดว่าธรรมานี่เป็นผู้วิเศษที่โสมากเกินไปความจริงไม่มีอะไรวิเศษที่นำมาพูดนี่ก็นำมาด้วยความตามพระบาลีที่พระเจ้ทาทรงสอนมาพูดเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ความสา ม, มารถของตัวเองและบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเป็นมากครั้ง ก็จำไม่ได้ครบถ้วนอย่างเมืองพารามาศีตอนที่สามนึกไปออกก็่ฉยคราวนี้ก็ น, นึกไปออกว่าปฏิบูยิการนี่เกิดมายุทอัไรแต่งงานก็จำไม่ได้เหมือนกันในชาติก่อนโน้นเธอแต่งงานแล้วทำบุญอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันตายจากความเป็นคน ไปเกิดขึ้นไปเกิดปเดป็นพัญญาของมาลาภาลีเทพบุตรมาลาพาลีเทพบุตในท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่เขามีอายุหนึ่งพันปีทิพย์อย่าลืมว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่อายุพันปีทิพย์เป็นอายุขไขได้ว่าเทียบ ก, กับเมืองมนุษย์ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของาดาวดึงสัต์ปีเป็นโลก สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนยีิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีของเขาวันของเขานะ่ะร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันแล้วก็เอาสามสิบคูณก็เป็นสามพันปีของเราเป็นหนึ่งวันขอโทษมันจะเลอะเทอะซะแล้วเอาร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันก็แล้วกันห้าสิบวันของเขาก็เท่ากับพันปี สามบันของเขาหนึ่งเดือนก็เท่ากับสามพันปีของเราแล 12, ้วก็สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกันวัดไปเถอะไม่กี่ปีมนุษย์ก็ตามใจอันนี้ไม่รู้เรื่องก็ะรวมความว่าเธอถึงกำหนดที่จะต้องจุดติเคลื่อนจากความเป็นนาวฟ้าอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์วันนั้นก็เป็นการพอดี ที่ท่านมาลาพาลีเทพบุตรพาบริวารทั้งหมดแล้วก็พาพันลเมียไปด้วขอโทษพาพัญญาไปด้วยไปเที่ยวสวนนทวันขณะที่ไปเที่ยวสวนนทวันอยู่นั่นพัญญาที่เป็นนางฟ้าถึงเวลาจุติก็จุติลงมาเกิดเพื่อตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์ เวันลงมาเกิดเป็นลูกอ น, นุษย์แล้วคลอดมาแล้วไม่ทราบว่ากี่ปีเป็นสาวแล้วไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่จําไม่ได้ในบารีตอนนี้เธอก็แต่งงานแต่ว่าในสมัยนั้นนิยมบอกกันว่าอายุสิบหกแต่งงานก็สมมุติเธออายุสิบหกแต่งงานแล้วกันตอนอายุต้องสมมุติแล้วเพราว่าจําไม่ได้ ถ้าจะวิ่งไปหารนองสือเวลานี้ญาติโยมก็จะรำคัญต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกอันนี้จำไม่ได้แน่นอนคิดว่าจะมีลูกประมาณห้าคนนี้วก็เธอก็อายุ ป, ประมาณห้าสิบปีเศษเศษนิดนิดห้าสิบปีหน่อยหน่อยไม่มาก ก็เข้าไปอยู่ในสำนักขององค์สเมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าคือพระเจ้าทรงตัดเวลานั้นก็มีเมื่อฟังเทศจบเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าบาลีก็ไม่ได้บอกอีกฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าจบเดียวก็มีความเลื่อมใสออกจอบ้านลาผัวลาลูกไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้า พอไปอยู่ในสมารถเจ้าปฏิบัติความดีใกล้พระสงฆ์ใกล้พระพุทธเจ้าอุดมไปะยธรรมะก็เกิดมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนาอตีตังสยิยานย้อนถอยหลังไปในอดีตก็ทราบตนเองว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นพ ญ, ญาขามาลาพาลีที่ประบุบนสวรรค์ชั้นดาวประเด็นสัตวโลก เวลานี้มาลาพารีที่ประมุขเพื่อพาเรามาเที่ยวในสวนนันทวันยังไม่กลับถึงที่ยังไม่กลับบ้านยังเที่ยวกันอยู่ที่สวนนันทวันเห็นว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทออกมาด้วยกันคนเดีจุดติคือตายจากความเป็นนางฟ้าลามาเกิดเป็นมนุษย์มีสา ม, มีและมีบุตริดาอายุ ป, ป่าก็้ไปห้าสิบปีเสียกไิด แต่ว่าบนสวรรค์ชช้นดาวบดึงสถิวโลกมาเที่ยวกนินสวนนั่นทำบัญยังไม่กลับก็เรียกว่ายังไม่เต็มวันเมื่อนา ม, มีความรู้สึกอย่างนะั้นว่าเคยเป็นพัญญาเขามาลาภาลีที่ประุทเวลาทำบุญทุกอย่างเมื่อจบแล้วถึงอธิษฐานมาขอบุญบารมีที่มาเป็นเรานี้จนบนบนบันดาลเมื่อเวลาเขาไปเจ้าตายให้ก็ได้เป็นพัน ไปเกิดในสนักกู้สามีโคตรเฉยว่าเมื่อเขาไปเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเขเกิดในสนักกู้สามีที่บอกว่าถ้าคอยเกิดเป็นพัญญาก็มาลาพาลีทบ่บทหน้าก็จะมีเรื่องเรื่องที่มีก็คือว่าเรื่องเขาหาว่าบ้าปนางก็มีความยลทบาทเพียงว่าขอบุญบรารมีส่วนนี้ จนบรรดานี้ก็ไปเจ้าไปเกิดในสนณะของสามีบรรดาคนทั้งหลายและพระที่ฟังก็คิดว่าเธออยากจะกลับมาอยู่กับสามีใหม่เพราสามีคนเดิยวนี่เป็นมนุษย์ตายไปแล้วอยากจะกลับมาอีกเขาใจว่าสามีค็มีสเสน่ห์ดีมากทําบุญครั้งหลาปัญญาอยากกลับมาเธิอยู่ด้วยช่วยสามีที่เป็นมนุษย์มีความสุข เว่อไม่หนูไม่หนูนี่มันตีจริงจริงมีความรักเราแล้วเกิดอยากจะกลับมาเป็นปัญญาเราใหม่ด้วยความจริงเวลานี้เธอแก่แล้วตั้งห้าสิบเศษถ้าว่าเอินตายไปเวลานี้กลับมาเกิดใหม่เป็นสาววัยรุ่นอายุสิบสองสิบสามมาแต่งงานกับเราใหม่แล้วมันแยกเกะก็ไปปัจจุบันนี้มากเธออาจจะคิดอย่า ง, งนั้นหร้อเปล่าคุณม่สทราบ แต่ที่เป็นอย่างนี้ก็คนปากมากพูดไปเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่แล้วเนี่ยเราเยอยากมีเมียสาวเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติวัฏฏาก็พะในพระพรเธอเต็มใจทําทุกอย่างเวลาที่พระไปปฏิบัติจุดนี้ก็จับน้ใช้น้าฉันปูอสนาทุกอย่างพระเสร็จก็ทางานทุกอย่างเพื่อพระมีความสุข อาวุธเจา้าเทศก็ตั้งใจฟังพระปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนด้วยความเคารพ <c oughs> กำลังบุญมีมากแด้ความจริงอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระพูมีพระภาคก็น่าจะคิดว่าการตายครา้นี้อยากจะไปนิพพานแต่นางไม่เอาอย่างนั้นย่อมเป็นนึกว่าการตายครา้นี้ถ้าตายมันไรขอไปเกิดตนนักสามีแล้วก็เป็นความจริง <c oughs> หลังจากเธอตายมาอายุห้าสิบปีสีปีเศษหน่อยหน่อยตายจากคนปั๊บก็ไปเกิดมุสวรรค์ชั้นดาวดีงสเทวโลกไปถึงดินั่นก็เป็นนางฟ้าสวยสดตามเดิมความเียงได้บนเพิ่มใหม่อาจจะสวยกว่าเก่าก็ได้กพราอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าเมื่อขึ้นไปแล้วก็เข้าไปหาสามี ไปหามาลาพารีเทพบุตรท <c oughs> ่านมาลาพารีเทพบุตรเห็นข้าวกระตกก็แปลกใจถามว่าพักกินิดูก่อนน้องหญิงเออนี่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะฉันมองไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงอ๋อโ h ป้าก็ไปห้าสิบปีเศษโหยังคํากุกักกุ ก, ก, กักคิดว่าเช้ายันเที่ยง นางฟ้าคือปฏิปูจิกาเขากลับเปลี่ยนให้ทราบว่าสามีใครแต่นายคำว่าสามีเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าผัวนะคําว่าผัวจริงๆตามภาษาวาลีเรียกปฏิไอปอเป็ดตอเต่าสรีปอเป็ดก็ปลาปลาปอเป็ดก็ปลาปลก็ตามปอก็แล้วกันแล้วก็ต่เต่าสรีปปฏิตัวนี้ก็แปลว่าผัว แต่สามีนี ah Excel, right. state, ่เขาแปลว่านายที่เจ้าของอาจจะแปลอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ทำไมก็เรียนมันน้อยที่บาหลีเทวสถานตนถามเธอว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเธอหายไปไหนเธอก็กราบเรียนให้ราบตางความเป็นจริงว่าความจริงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนี่ไม่ได้ไปไหน หมดบุญต้องจุตติคือตายใจความเป็นนางฟ้าไเเปเกิดเป็นมนุษย์มาลาพาลีที่โบเด้่ยฟังก็บอรดิเธออย่าล่าฉันเล่นนะอะไรเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโผ ก, กับมาใหม่นี่มันเป็นตามเป็นความจริงไปไม่ได้นางก็ยืนยันว่าจริงเจ้า ฉันจุดติคือตายจริงๆจากความเปน็นนางฟ้าเพราะหมดบุญ <c oughs> หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งงานมีลูกห้าคนโดยประ ม, มาณจำบารีไม่ได้โยมจะไปเปิดภาษาบารีอ่า น, นบอมันไม่ตรงหามพาะโกหก็ไม่ได้โกหกประจำไม่ได้ประมาณว่ามีลูกห้าคน อายุเนี่ห้าสิบปีเศษแน่คงเศษไม่มากแล้วก็หลังจากนั้นพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าทําบุญกับท่านเวลาทําบุญอธิษฐานเขาก็เกิดว่าตายจากความเป็นคนมาเกิดในสนักของท่านวันนี้ฉันตายจากความเป็นคนและก็มาสู่สนักของท่านตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้กับการทําบุญในองค์ศาสนาเขา อ, องค์สมเด็จพระจอมไตร มาลาภาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านมีรมใจเป็นทิพย์คนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีความดีสองอย่างประจำใจคือหนึ่งฮีริความละอายแต่ความชั่วอายความชั่วไม่ยอมทำไม่ยอมทำความชั่วต้องต่อหน้าคนและรับนังคน ไม่ว่าในสถานที่ใดทั้งหมดขึ้นอเจ่กความชั่วไม่ทําโอตปะเกรงกลัวผลความชั่วใจผลเป็นทุกข์ในเมื่อคนจิตสะอาดแบบนั้นจิตใจก็เป็นทิตร่างกายก็เป็นทิศเมื่อปฏิปุจิกาพัญญาของท่านกล่าวอย่างนั้นถ้านก็ใช้ลมเป็นทิศตรวจ ด, ด, ดูก็ทราบว่เออจริงนะฉันก็เผลอไปนะไม่ได้สังเกตว่าเธอจะไปไหน ก็ทึกว่ามีการด้วยเริงบันเทิงใจสนุกสนานหรือมาหาฉันน่าดาเชาาอย่างเที่ยงนี่เธอตายจากความเป็นเทวดาจริงๆไปเกิดเป็นคนเป็นมีพรรยาสามีมีบุตรที่ดาแล้วก็ตายกลับมาจริงๆท่านมาลาภาลีท่านผมก็ถามว่าเวลานี้มนุษย์มีอายุขยเท่าไหร่คำว่าอายุขายนี่หมายว่าอายุถึงวี่สุด แต่คนอาจจะเกินที่สุดไปหน่อยก็ได้ตายต่ำกว่าที่สุดก็ได้ครบที่สุดก็ดีก็ได้เกินก็ได้แต่ทีว่ามีความสำคัญในที่สุดของชีวิตถาว่ามีอายุขยเท่าไหร่ <c oughs> นั้นก็ตอบว่าเวลานี้อายุมนุษย์มีอายุขัยร้อยปีเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไปเกิดนี่มีอายุเท่าไหร่ น in ั่ก็ตอบว่าฉันมีอายุห้าสิบปีเศษนิดๆเจ้าค่ะแต่วันนี้ห้าสิบปีเศษนิดๆที่นี่แค่เที่ยงวันเแล้็ถามว่ามนุษย์มีอายุน้อยเท่านี้หรือท่านก็ลืมท่าเป็นเทวดาเช่นนันท่านมาลาพาลีเทพบูท่าเบ็นเทวดาเช่นาั่นลืมอายุของมนุษย์ลืมวันเดือนปีของมนุษย์มาสั้นเหลือเกิน นันก็ตอบว่ามีห้าสิบปีเศษที่เขาเที่ยงวันท่านถามว่ามนุษย์มันมีอายุน้อยอย่างนี้มีความไม่ประมาทคือตั้งใจสร้างความดีและมีความประมาทชุมากนันก็ตอบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความประมาทไม่ค่อยจะตั้งใจทางความดีคิดว่าชีวิตคนตวนี้จะไม่ตาย มาลาภาลีที่หมพระฟังธนิัยก็สลดใจอย่างยิ่งและในสุดเมืหมดบรเวลาก <c oughs> ็พากันกลับเข้าไปสู่อีมานสำหรับในด้านเมืองมนุษย์บรรดาเนพุทธิษัทบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายฟังคำคุณนางปฏิปูชิกาเมื่อเสร็จเกยการฟังเทศเศรจกยการทาบุญก็ขอที่ฐานว่ขาขอ บุญกุศลนี่จนโบรรดาให้ฉันไม่เกิดแต่สนักของสามีของฉันเมื่อนางตายพระมีความรักเธอมากที่าบางองค์ที่เป็นปภชชนถึงก็ร้องไห้พระอาริยเจ้าก็สลดใจเที่ยวความตายไปของธรรมดาเอาเเ้่ดายเธอนิดนิ ด, นดที่เธอทำกิจ ด, ดีมากเลยจะออดีมาก ต้องจากไปหาคนดีอย่างนี้เลยได้ยากหน่อยต่างคนต่างก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าสําหรับพระที่เป็นโพตุชนพระอาริยเจ้าไม่สงสัยรู้เรื่องแล้วถ้าพระที่เป็นบุตรชนก็ไปเฝ้าองค์มสมเด็จพระปาทที่เ้าถามมันนามปฏิบูริกาตายแล้วไปเกิดที่ไหน สมเด็จพระจอมไตรก็บอกว่าไปเกิดตา ม, ามตามที่เธอต้องการเธอดีฐานว่าเขาไปเกิดไปสํมณะของสามีเธอก็ไปเกิดในสมณะของสามีพระผู้นั้นที่งเวลาไปนิดหน่อยคิดว่าถ้าคนเข้าท้องเวลานี้ยังไม่มีความรู้สึกไปเวลาเรื่องล่วงไปทั้งสองสามเดือนก็ไปบ้านของสามีเขานามปฏิปุจิกา ถามว่าผู้หญิงที่นี่มีใครตั้งครรภ์บ้างเมื่ออนบ้านนั้นเวลานั้นยังไม่มีใครมีท้องยังไม่มีใครจะมีลกูกเขาตอบว่าไม่มีใครตั้งครรภ์ เ, หาหาเด็กอะยิ่งกลับมาหาองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าใหม่บอกเพิ่งบอกกว่าเวลานี้ที่บ้านนั้นยังม่มีใครตั้งครรภ์น้นำปฏิภูิกายังไม่ได้เกิดแน่ สันเดตว่าผู้มีพระพาเจิ้ทรงตรัสว่าพิกเวดูก่อนที่สุดทัลายไม่ใช่เธอต้องการเกิดในสนักสามีในความเป็นมนุษย์เธอเป็นเมียของมาลาภาลีเทบุตรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เวลานี้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวันโลกแล้วนี่ละบรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่เมียลงพุ่งที่พุ่งในด้านดีก็มี ยามปฏิบัติการนี่พุ่ ง, ขงเขาก็เกิดในสำนักของสามีถ้าอาะไการพุ่งแบบนี้ถ้ายิา้มกันไปก็ไปอธิฐานบารมีนั่นเองอธิษฐานบารมีก็ตั้งใจปักใจว่าขอทําบนโรสมิส่งไปที่นั่นเกล้าความประการตั้งใจได้คิดไว้และปักใจว่าที่ไหนได้ชอบใจที่ใดเมื่อคนตายแล้วเมื่อะไรก็จะไปเกิดที่นั่นทันที เรื่องนี้นอกจากเรื that, ่องของนางปฏิพฤกกาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อไปบรรดาแทนพุทธบษตรสัตวหลายฟังเรื่องเบาๆในตอนที่ห้าเป็นตอนที่หกต่อไปสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายจำต้องลากรองขอความสุขสวัสดิพิพัฒน์นมงคลสมดุลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรนดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกองครวุฒิปิญญากรผู้รับฟังเวลานี้ทุกท่านสวัสดี